ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เกิดความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวัน้เวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบ <c oughs> แลงบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผานคนอื่นเขาตาย แต่เรว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนี้องสมเด็จพระจอมไตรปรมาศาสาัดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่งอั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นในที่สุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะมีต ก, กังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเปอันมื่แล้วกันไป แต่ถ้าว่าองสมเด็จพระจอมไตรปรมิศาสันดาห์าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่ากลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจเข้าความชั่วเข้ม า, ขามาครอบามโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเง้าของอกุศล แล้วก็บริวายเขาอาโกสราก้าวเาอาโกสนอาโก ส, กสเดิมพื้นราดข้าจริงๆแห่งความชั่วได้แก่ราค่าความรักหรือว่าโลภความโลภสองอย่างนี้เป็นเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วจริงๆพื้นฐานรากเง้าตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี้เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจายออกไปเป็นกิ่งกาา้านสาขานับไม่ทนที่ถ้ารมจิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับนายของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือเกิดในอบายภูมิมีสัตรกเรตอสุรกายสัตว์เลชาน้นเป็นตน้น ถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลงกันข้ามแทนที่แย่ทาลายทรัพย์เสียบุคคลอื่นในความโลภ ก, กลับเป็นผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความสงสารเห็นสัตว์แลคนที่มีความทุกข์ เราสงเอาส่เขาให้มีความสุขตางกำลังที่เราจะพึงให้ได้เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวิ น, นัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่ให้บุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> แลื่องกการหลงไหลฝ่ายฝันในโูกโฉมนมพันุไม่มีในเรารวมความมาจิตเป็นกุศลขึ้ น, นหนึ่งจิตพอใจในการให้ทานสองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดี มีผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขเคของเทวดาบ้างอยู่ในเคของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาเทวดานางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดกับปลาปณิพานในองค์สมเด็จพระพิตมานทรงกล่าวอย่างนี้มีแ <c> ม <oughs> ่องค์สมเด็จพระจินาศีท่านทรงยืนยันเราก็คงยังคิดว่าถ้าอย่างนั้น ในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดีอะไรบ้างที่เป็นระเบียบวิ น, นัยเป็นธรรมะที่ควรจะไปพุตธปฏิบัติที่องค์สมดเด็จพระสูนทสวัสดสิสดส์ ส, ดสอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ทำให้หลงไหลไฝฝันในรูปโชมนมพันยืงเกินไปและโดิการในสองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรม ผิดและเบียดผิดในผิดธรรมผิดกฎหมายเอความโกรธคิดประทุษร้ายบุคลญญบคลอื่นอิจฉาดิสยากับคลอื่นล้งไหลฝ่ายฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเม่ตาปราณีใครเขาก็รักใครเขาก็วันดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเรา พิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็มีความตายบนรนีุสุดความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมใน <c oughs> ความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสาคัญบางท่านที่มีความหวัดวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทําให้เราตายเร็วแต่ความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้คนไปไม่ได้การมีองค์สมเด็จพรจอมไตรปรลมัสสัจฉาทรงแนะนําให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายคนไดเราจะได้สร้างความดีเขาไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแฟนได้ทรัพย์สิน <c oughs> เห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภาชนะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จะคิดว่าเขาสร้างบุญญาที่การอะไรไว้ อานิสงส์สมเด็จพระจอมไตรกะว่าเพราะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานกับพระสงฆ์การถวายทานกับพระอริยสงฆ์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ํารวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นข้ารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่โจนขโมยไม่รัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครแะ่พูดอะไรก็เป็นที่รักของคนผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้อสงสิญญจิณสีกล่าวว่าเป็นผัจใจเพราะมีศีลบริสุทธิ์ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้แล้วรักษาศีลไส้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหาว่าเห็นคนก็มีปฏจจิตติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องสมเ็จประจอมตรายกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌานสงมีวิปัสสนาญาณสงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดแล่มีความรู้นี่องค์สเร็จพระบรมครูแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอ นี่คนดีคิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสมมาสัพพะตะเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินวสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านนั้นหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่า น, นหลายจงอย่าประมาทาชีวิตอยากคิดว่าเราจะไม่ตายไม่ขณะใดทีเ่เราเราจะงรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยื้อย่างทรัพย์สมบัติของคนอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตน ระยการที่สอให้ได้ ง, งับอารมณ์ข้นโทสะในพยาบาทมีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้าราการรายการที่สามองค์สมเร็จพระชิตธมากรกล่าวว่าจงอย่าประมาทชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป ออสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์เสนาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองสมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจา้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่อองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเล็กน้อยอายุเพียงสิบสามปีมาฟังอยู่ด้วย เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังประทับประจาพระธรรมคำสั่งสอนโองสมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียว มองดูพระรูปไปชอมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่สแสดงว่าธรรมธีศนาก็ไพราะวาจาที่กล่าวไปก็ไปเร่เท่ก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยูเส ม, มอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอยารร่าประมาทชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พรองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำมาทำคำสั่งอสอนพอะองค์สมเด็จพระทศกุลแล้วปฏิบัติตามสิ้น เ, รยรยเวลาจะได้ยระยะเวลาสามปี <c oughs> วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินดารสีเวลาช้ามืดตรวจอุปนิสัยของสัตว์ สมเด็จพระสุนทรเสวั์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุสิบกปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิจิต ม, มารตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายยิ่งได้พิจารณาต่อเลยว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอน ก็คงทราบว่าถ้าองสมเด็จพระจินวร์ไม่ช่วยเหลือค่าติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระสมมาสมพรธเจ้าจึงสเสด็จไปองเดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านแลวไปโรงทอหูของพ่ อ, ขอเขาเล่าลัดลัดเขาไม่ต้องการสรวัสดิ์ง น, นางต้องการผล <c oughs> เมื่อคนมาเป้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองสมเด็จพระบาททพยแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่กคหนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าต้องการก็าให้เธอเข้าไปใกล้ เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าพระกนินิดูกระน้องหญิงนีพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดถ้าไม่ถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านทแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าพระกนินิดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหน เธอตอบโองสาเร็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่าสมเร็จพระพรมศาสนนาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าผ่าแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าผ่า เพอเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็จหญิงรอเรียนองค์สมเด็จพระทศกุลเจีงด่าหาวาอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพื่ผู้มีพระภาเจ้าจะไห้ามปรามเขาวผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระ ก, กินิดูกระน้องหญิงที่จะทาข้อถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบ นั่นหมายความว่าอยังไงเธอตอบว่าคําถา ม, มรถพระองสมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าขยุกมือสาธุศาธุานีแล้วตอบถูกแล้วรพระองค์สมเด็จพระบทิตรแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไง เธอเกิดทราบตอบโองสมเด็จพระจอมไตรว่าที่ว่าไม่ทราบมอมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์ในรกเป็นเปรตเปต็นสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยงใช้เกิดเป็นคนแตะเกิดเป็นเทวดาหรือผมมอมฉันไม่ทราบพระเจะา้าค่ะโองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองสมเด็จพระบพิตรแก้วก็ถามต่อไป ว่าน้องหญิงที่จะถาคุศถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบี่หมายความว่ยังไงเธอตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าจำได้แน่นอนว่าชีวิ้เขมอมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธการพระองค์สมเด็จพระพิทักษ์มายกล่าวว่าข้อสุดท้ายที่จะถาคุศถามเธอว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็กราบทูลอสมเด็จพระจอมไตรที่ว่าไม่ทราบคุณพระว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนซาเช้าตอนสาย ต, ตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเกี่ยวกันองสมเด็จพระสัมมาสัมพยยุทธเจ้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสีข่ข้อ แต่สายที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงสินห้าเป็นปกติมีความเคารพต่นพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาเธนนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักเกิดดวงหน้าขรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุตติกรรมฐานเป็นประจาทรงสินห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสรงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมืม่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการว่าดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ข้แล้วก็เธอว่าเกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏก็รปรากฏว่าเธอได้บรรลุพระโสดาปันีผลนีบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรโฮูพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบฝืมเข้าพ่อผู้ตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูก อ, อกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต อนนิโอสมเร็จปฐมศามิตชีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์และมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเส ม, มอว่าเราจะตายและการตายคองเราี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาเสียงเจริญภาวนา ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ทานายหลายเร่มรู้มรคลได้โดยง่ายอย่างไปเบสการีทิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาพูดกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีแล้วก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดตัวหาดไว้ก่อน ว่าธรรมะนี้องสมเด็จพระจินนวอรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพันธแล้วพระสงฆ์นํามาแนะนําให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์เตี้ยแต่มาเจาะจงลงไปในด้านอาริยสงฆ์เขาว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ แม้แต่ตนมาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆต้องตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมใจเย้โคลงทรงอยู่ในความดีฉะนั้นบอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธ ที่เรียกว่าเจริญสีรานสุสติกรรมฐ า, านเป็นประจำตื่นขึ้นมาให ม, าม่ๆก็ตัง้งใจอย่าสสีนให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในสีนบริสุทธิ์จุดเสมอก่อนจะหลับก็ไข้ครูนิวาตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบคร่อในสินสิานาขาไหนบุสิค้าบทไหนบ้าง ไม่อห็นว่าจิตใจของเราโซสิีลห้าแปราการนี่เฉพาะครวัตเป็นเอกราตารมณคือเมรุ ม, มันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ถ้าเรียกว่าประโสูดา บ, บันก็ไม่ยากนักนี่สำหรั บ, บองสมเด็จพระผู้มีพระภายเจากกับว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย ถ้าคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นระโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปมีความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่โอ้สมเด็จพระบรมรครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดแช้สิน้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพาน ที่การเยีเข้าวพิพานถ้าจะว่ากันดังตามสามยะสิทธิยกายก็รู้สึกว่าจะช้าเราก็ไปรวบยอดกันตามที่องสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสองในในนวายในมหาสติปัฏฐานาสูตร <c oughs> ที่องสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายและก็กายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกาย กายนี้สัจธวรมเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเมืองตน้นมีความเปลี่ยนแปลงบนัมนกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิด อ, อีกเราก็มีความทุกข์อย่างนี้ องสมเด็จพระเจ้าเสรีรัชตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมั น, ห า, ห, นหาพระนุ่งหัมให้เกิดมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ได้ว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันตลอดการตลอดสมัย ให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตนี้เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวมาหร่เราก็ต้องไปโอ้สมเด็จพระจอมไตรยแนะนำว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่ในบรรดาญความสุขให้กับเราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชีว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สำหรับเราไม่มีอีกแล้วก็สรงแนะนำว่าไม่แต่ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลก ในเมื่อชีวิตตีนสีก็เรานีหมดไปก็ เ, เป็นเหตุสุดที่ใส่ที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากําลังใจเขามันดาทางพุทธบริษัทหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติแล้วแถมต่อไปสนิทว่าถ้าเราตายคราวนี้เจ้าขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุสโลกคนดีเทวโลกคนดีพรมโลกคนดีไม่เป็นที่ยินดีสําหรับเรา เราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจขมรนดาท่านพุทธบริสัทธ์ทุกท่านคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเย่อหยาดความลหลงไหลใฝ่ฝันในโูกโฉนดมุพันธ์ร่างกายรับเชียทรัพย์สินนั้นไหลายก็สลายตัวไปจากกิจอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์ของพระนิพพาน รวมความมาเป็นอรหันต์ตายใกชาติานี้แล้วก็ไปพนิพพานทันทีอรบรรดาท่านพุทธบริสัทธนหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อไปขอสาว่าคงสมเด็จภบัณแก้วตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาว น, นาและพิจรารณาตามอัิายาใัยจงกว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน